เป็นบางวันเงียบเลยนั่นมดปัญญาดิ่งผ่ามมนกอน้ำเวลาอยู่ในก า, าของเราของกองออกก็มีกาน้าเทแชกไปมันจะเอากําลังมาจากไหนไฟแท่นั้ น, นวะ่ะพอเทแชกไปมันเงียบเลยหัวแห่มันนั่นแหปัญญาของคนมันโง่จะตายเลยมล้วคอยจะให้ไฟมันไหม้รถไฟทั้งกระบวนไหม้ตู้แล้วก็ไหม้ไหนอีก ถ้าจะมาดับแบบเดียวกันนี่มันก็ต้องไม่ตู้หมดแบตเตอรีดับยิ่งไปยิ่งหายนะแต่แค่นั้นแล้วปัญญา่างนั้นมันก็คิดไม่ได้คิดทำาไงผ่านผ่านผ่น พเพื่อที่ครอบดหัวใจแล้วมันเป็นมนุษย์สัาายนไปปัได้่านมนุษย์อัญญาลายเป็นสัญญาลายแก่มนุษย์นั่นแก่เองผู้มีนันแล้วเป็นรายต่อกันไปเรื่อยๆแย่แร่ไปที่าเลยคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีไ้ไงความมาด่ดีมีอยู่ของรักาุกคแล้ววิตวิตุพมนันมีอายมากมากเขามากมาก่า คนที่ตามมาเสียในทั้งส่วนอยากส่วนละเอยดมันตามมาด้วยกันบางครก็มีเจตนานมาปลอมแค่ยังมีงานนี่คนทั่วมันจะแฝงเข้ามาคอยขโมยของนั่นคนจะได้เนี่ยไหนมาเอาทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยมีส่วนหยากเอามันบ้าอะไอยู่แถวนึ่น้เรื่บ้าไม่เริ่มขึ้นอยู่แล้ว แม้แต่ว่าเรากป็นยังมีนีไม่ใช่เถอะวันนีมีการมีงานและมีคนมาอยู่ที่นี่มึงะก็ต้องในระวังคิดหรือไม่คิดผมไม่รู้วะนี่คิดหมดเราไม่ได้เป็นจรในอลารแต่เราเลือดรู้เรื่องของโจรอุายเราไม่ได้ทําความชัว่วแต่เรารู้เรื่องของคนชั่วของคนทําความชั่วอุบายทาความชั่วของคน คุยนี่เนี้เนาะเป็นมาหน่อยเห็นไหม่าสงบเลยเดยนะวิริแสดงความผาดโผนทุกสิ่งทุกอย่างบนหัวใจจะต เรดูก็รู้ทุกวันนี้ยิ่งนับวันนับผมเสอิมเงขึ้นทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าบ้านนอกในเมืองบ้านป่าบ้านลกขึ้นไหก็เถอะเหมือนกันหมดเลยกําลังเรืองอํานาจเต็มที่แล้วมีอำําจเมืองไทยเราเนจนขึ้นสมองผมงว่าตอนตกมาใช้เวลาวิชาตอนตกมาใชา้ที่วิชาดีแล้วไม่ว่า คนทําลายนี้ เ, นรนเรียนสมอเรียนวิชาทุนนักกันดีกว่านี้มึวิชาที่ไหนก็เรียนมาพอแล้วลงมามวิชานี่แล้วเสริมผิวอะไนี้แล้วมันก็ต้องกัดกันไม่เสริมอันนี้ไม่มากไม่กัดกันมากนะคุณอ๋ออันนี้มากแล้วกัดมากโหดร้ายมากนะเรา เพราะอะไรก็เพื่อนี่เพื่ อ, อ น, นี่อันนี้เป็นลำใหญ่ที่นาเขาไปมันก็รู้เองทาพระนาคา ม, มีทั้งหมดนี้แล้วไม่มีอะไรท่านไม่ต้องลงมาอีกเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงให้ลงมาพอถึงนั้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติของกิต ด, ดวงนั้นจะเป็นไปเองตัวเองมันแก่จนที่แล้วบบ่ไม่บ่มมันก็สุก ข, ขึ้น ม, นนมาผลไม้ แต่ถ้ายังไม่แก่ก็ต้องใช้ต้องในการมีการบํารุงรักษากันจอกระทั่งถึงมันแก่แล้วนี่ยบ่มไม่บ่มมันก็สุกหามเข้าไปห่างก็ไปออกมาจากต้นมันก็สุกของมันอยู่บนต้นมันก็สุกคือเป็นอยู่มันก็จะสุกของมันตายไปมันก็จะสุกของมันเพราะจิตนั้นไม่ขึ้นอยู่กับท่าเขาขันที่เป็นและตายไปมันอยู่ในหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นไปในตัวเอง มเพราะนาคาถึงเรื่องอยไปเรื่อยๆยเรื่อยๆแล้วผ่านไปเลยเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันค่อยห่ามไปหามไปสุกไปเลยไม่ต้องคืนกลับคืนมาเพราะเป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติอันนี้มีไหมตั้งแต่าำลายอะไรจะเป็นหลักของตำรายิ่งหัวใจวะอยูก็ไปตรงนั้นเอยมันทําไมจะไม่ดู นี่ถึงอาถรรพูดนะใครจะวาบ้ากขาตามนี่อานถรรพแล้วทุกขุนถึงหรื่องนี้อวิชาปัญญาสร้างข้าลานี่มันมาทั้างทิว่านี่ะเพื่อเป็นอัตโนมัติถือฝ่ายชั่วก็เป็นอัตโนมัติฝ่ายผูกมัดนี่มันเป็นอัตโนมัติได้ือลำดับของมันตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นงของมันเมื่อทนต้องมีอำนาจแก้ไขต่อถอยมันได้เมื่อบำเพ็ญทำเข้าไปแก้เข้าไปแก้เข้าไป เพราลังที่เหลือนมากต้องในท่าการต่อสู้กันมากทําลําดับลาดาเราจะอุปสรรคเอาความว่าหนักบ้าเบาอะไรมันเข้ามาช่วยนั่นแหละคือเรื่องเอามาช่วยให้เจ้ของตายกล้าไม่ออกมันหนักก็หนักนี่นั่นถึงเป็นความถูกต้องเพ่าท่างรางกายเป็นอันตโนมัติแล้วที่นี่ก็เป็นอย่างที่ว่า เราเห็นได้สติปัญญาของผู้ปฏิบัติถึงขั้นอัตโมนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นปไปานหลักธรรมชาติตัวเองธรรมชาติตัวเองต่างใจคิดนี่มันต่งใจคิดก็เป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับกิเลสที่มันเป็นหลักธรรมชาติหมุนตัวไปเองของมันเมื่อถึงเมื่อทำถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกันไม่ได้ติดกันเลยหมุนไปจนถึงที่สุดอกิเลสก็หมุนไปจนเต็มที่ทั้งมันไม่สามาร้าบว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหน มันหมุนวนหัวใจสัตว์ให้เป็นให้หมุนเยน็นเปิดตายอยู่เหมือน ม, นมดไต่ขอบดงไม่ต้องมานับว่ากี่พบกี่ชาตดูขอบดงนับมันได้งไงนับอะไรมันขอบดงนั้นมันก็ตายก็ตายวนไปเย็นมาอยู่นั่นมันกลมกลมอย่งั้นจะไปนับที่เบื้องต้นเบื้องปลางมันที่ไหนที่สุดทางปลาทางของขอบดงได้ยังไงอันนี้ต้นทางปลาทางของวัด จิตวัตจักก็เหมือนกันวัดตาวัดตาก็ว่าหมุนเถ้ามันมีอะไรมาขี้คลายมันก็หมุนมันอยู่นั่นไม่มีวงตัวเมืปลาเหมือนมดตายเพราะดวงตาตายอยู่งั้นจนกมะทางวันตายอันนี้เป็นของเก่าที่เป็นของใหม่ถ้าเคยมาแล้วไม่รู้ เรืงเกิดเรื่องตายที่ถูกรูชามันปิดไว้เป็นเหมือนขอบดงเนื่อมก็เหมือนกันนั่นแหละไม่อาจจานุเจ้าอาจจานใครรู้ได้พระองค์เดียวเท่านั้นรู้ทางออกได้นังนั้นไม่มีเลยทั้งสามแดนโลกธานุนี่มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเท่านั้นแะ่ะพอทรงผ่านออกได้แล้วก็ประกาศกลางวานทําขึ้น น้าสาโลกทั้งหลายได้รู้น้าสาวทั้งหลายก็ได้ยินได้่องจากท่านเลยๆเล ย, เลยรู้จกักแหน่รู้จักทางกานดําเนินผ่านไปได้เรื่อยๆเล ย, เยมันเป็นไปในหัวใจจของเองรู่้ในหัวใจประจักษ์กับหัวใจแล้วทําไมวามาอาถารทําไมพูดไม่ได้ สิงที่ควรพูดได้แท้ๆนันต้องพูดได้พุทธเจ้าถ้ายังไม่ได้จัดสรูปองได้นำธรรมเหล่านี้มาพูดได้เมื่อไหร่พูดไม่ได้เพราะไม่รู้พอ ร, รู้แล้วแล้วใครจะเกินพระพุทธเจ้าการสอนโลกความฉลาดแหลมคมใครจะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความฉลาดเหล่านี้ไม่ได้มาจากอวิชาเป็นอาจารย์นนะได้มาจากธรรมล้วนๆที่เหลืดตัวไหน เปถอนวิธีการวิธุดรากคนออกจากโลกของมันมีหลือนี้ต้องไปทำเท่านั้นถอนวิธีการและถุดรากจัดโลกออกจากวัตถจิตว่าไปจักั์ทา่านแสดงไว้ว่าทำมีอยู่อย่างนี้ ขณะท่านผู้ทรงรู้ทรงเห็นและผู้รู้ผู้เห็นแล้วท่านไม่มีปัญหาอะไรกับธรรมธรรมมอยู่ก็ธรรมเป็นท่านท่านเป็นธรรมก็ปีจัยเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านจะมีปัญหาอะไรทั้งๆที่ท่านไม่มีปัญหาเลยในหัวใจของท่านยิงน่งโลกมีปัญหาหมานัา่นนัคือตัวปัญหาใหญ่ทุกบวงใจของจัดโลก ว่าทรรมีอยู่ได้ยินยิ้มเฉยว่าธรมีอยู่เป่นอย่างภาษาเดียวกันมนุษย์เราพูดกันรู้เรื่องอย่างนี้ธรรมีอยู่แต่มันไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ว่าทรรเป็นยังไงเนี่ย่ะที่ว่าลึกลับเพราะจริงที่รับชาตินั้นมันถูกยีเดียดปิดได้หมดให้รับราบกับเรื่องของกีเดีเรื่องความมืดดำดำตาแค่อย่างเดียวเท่านัน้นมันไม่ได้ยอมให้รับชาติความสว่างกระจ่างใช่ไ ความแปลประหลาดของธรรมทั้งหลายเลยแม้แต่นอ้อยนี่คือมันฝุดเอื้อมสำหรับพวกเราที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองดูบ้างเลยนะสุดเอื้อมอย่างนั้นปิดแท็ไม่มีจิตยังใดรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่นั้นเลย เราจะไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสสัมพันธ์ได้ดอเรื่องเสียงเรื่องกลินเรื่องรถเครื่องสัมผัสสัมพันธดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาไปกินน้ําลงไฟไปอย่างนั้นและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดินไม่ใช่ธรรมน้าไม่ใช่ธรรมลมไฟไม่ใช่ธรรมอากาศไม่ใช่ธรรมอวกาศไม่ใช่ธรรม ถึงที่โลกกันอย น, น, นี้ทั้งสัมผัสสัมพันธ์อย่งนี้ทั้งมวนไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นนั่นแล้วธรรมมีอยู่มีอยู่ยังไงที่ธรรมมีอยู่แบบธรรมโลกมีอยู่แบบโลกถ้าอยากจะรูธรรมใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่ว่ามีอยู่ทุกขั้นแห่งธรรมได้ดูลำดับจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรม จะไม่นอกเหนือจากใจดวงนี้ไปได้เลยนี่แหละนี่ยที่บอกเป็นปัญหาเป็นอจริงเพราะเวลานี้จิตนั้นมันเหมือนกับว่าควา่ำหม้อนั้นความปากลงเอาปากลงเทน้ําลงไปแต่ก้นหม้อที่คว่าไว้นั้นเท่าไหร่มันก็มีถังไม่มีอยู่เอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลลงหมด ออกหมดไม่มีหยดไหนที่จะตกค้างอยู่ได้เลยเราพูดถึงหลักใหญ่เลยว่าอวิชชาปัญญาสร้างข้าลานั่นแหละตัวเคาความจิตให้เอาปากลงไม่ได้ง้ายปากขึ้นสววขาตธรรม อธบายวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เป็นเครื่องเปิดปากหม้อนำาหหม้ อ, อขึ้นมาเพื่อจะรับทำทั้งหลายเช่นเดียวกับหม้อน้ำงนัะเปิดรับน้ำเช่นนั้นถ้าลงในหม้อในถูก ความปากลงแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขังไม่เหลือเทนั่นพอไรก็ไม่ขังหยุดทะลงกิเลสปัญหาวิชาในความปากลงไปแล้วก็เป็นเทนั้นเหมือนกันเนี่ยที่ว่าโลกมื่อแปดทิศแปดด้านเมืเ่เพราะเหตุนี้เองจะมีกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้า น, า น, านดวงกว็าตามไม่ว่าใจสัตว์ใจบคุคคลมันเป็นใจที่คว้าลงอย่างนี้ด้วยอานาจของวิชา ยึดด้วยอำ น, นาจของพิเลศครอบไม่หมดคว้าไม่หมดอย่านี้จะเอาทาจะหน้าด่ยิดดวงใดหงายรับน้ำคือทำทั้งหลายได้เราวาดภาพดูก็รู้เอาหม้อน้ำมาคว้าไว้หน้าสลาแล้วนี่สักกี่พันกี่หมื่นใบก็เรามีเยอแล้วจะเทน้ำลงไปมันจะขังไหม หมอดใบไหนหรือลูกใดมันจะเหมือนกันหมดน้ําจะไหลเก่งไปนะแต่ไม่ไม่มีน้ําไหนที่จะไหลท่อนหมอดที่ความปากได้เนี่ยธรรมที่ว่ามีอยู่เหมือนกันกันกบน้ําอยู่เนี่มันไม่มีอะไรลับนี่สาขารธรรมท่านตราไว้ชอบแล้วประกาศลัน่นให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินด้วยกัน ผู้มีปริสัยแม้จะถูกความอยู่ก็หายขึ้นมาได้ท่านผู้เป็นอุกติกันดูอุกจิตันดูที่ความอยู่แล้วจะรับอคติความ คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือศาสด า, า, าองค์เอกได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจาก ธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระไถท่ท่านธรรมประเสริฐคือประเสริฐในพระไ ท, ท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิต ก, กับธรรมไม่ได้แยกได้แยะไปที่ไหนไหนเลยนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและหรือขนสัตว โลกจํานวนมากมายแต่ละพร ะ, พระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเหนาปัญญาหยากหรือปัญญาทึกถูกกิเลสครอบงำหัวใจแล้วนำโอวาทของกิเลออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นนิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระไถยนั่นเลย พระไทยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระไทยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระไทยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั้นก็เต็มอยู่ในพระไทยไม่มีคําว่าดุุ้นเดาๆไม่มีคําว่าเป็นเงาเงาดําำด่างด่าง แต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระไทยสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆแนะสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกตื้นหยาบละเอียดนาบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกัน สิ่งที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสจึงถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดและคำว่าธรรมนี้อยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ ไม่ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็นกิเลสก็ไม่สามารถจะแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดต่อประเภ ท, ใ ด, เทใดบ้า ง, ท, งทั้งที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงเลื่อฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรม โดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่สรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระไถยแล้วจึงได้นำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวไัยประกาศแจกศาตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำานับลำดา เฉพาะอย่างยิ่งท่านพูดจิเห็นโทษห็นภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสะเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวนขวาย หรือตะเกียบตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลยในศาสด า, า, าองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวครีทั้งห้าพอทรงสแสดงเว เ, เมพิกเวอันตาปบายิเจนัสเซนิตาบาเท่านั้นขอทราบวันนี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลก ยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิ ญ, ญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำํดำดาเนินว่าถูกทางก็ตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทําตนให้ลําบากเปล่าๆโดยเจตนากินมมุ่งอัดมุ่งทำแต่ทําไม่ถูกต้องมันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่หนึ่ง การประกอบตนให้มกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสร้นร่นๆนนั่นก็คือดำเนินหรือถูกกิเลสฉุดล่าไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสะแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือ มัชฌมาปฏิปทาทธากตเตนอายุสัมบูธาจาักขู่การณีญ า, าการณีอุปสมายะปิญญาญาสัมบูธายะนิบานายะสั้งวจติตเซยยที่ดังนั้นส ม, มาธิส ม, มาสังกปูไปเลยในส่วนที่เป็นข้าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเซย์ยที่ดัง การมาตัญหาภาวตัญหาวิภวะตัญห า, ะะหาอันนี้เป็นเรื่องของเยื่อเรื่องการทําความตนให้ลําบากเปล่ า, า, าก็ก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุทยัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่าการมาตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่คือสิงท ธรรมชาติที่จะสังสมกองทุกหรือพอกพูลทุกให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชชิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นท้าศิษิ์หรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบ สิ่งที่เป็นค่าสิทธทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิความฉลาดโดยธรรมสัมมาสังกปรนี่กหมายถึงความฉลาดที่จงดำริ ด, ด้วยความฉลาดแหลมผมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกโลกทั้งหลายใช้กัน สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนๆที่จะสามารถแจ้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยชิ่นเชิงอุบาาที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการนำเนินก็คือสัมมาวาจากราวชอบด้วยปัญญาสัมมากัมมันโตกระทําชอบด้วยปัญญา ด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายามโงเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกและมีความแน่วแน่มั่นคง ทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้นำาทางทาเหล่านี้แหละคือทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นค่าสึกของธรรมเป็นค่าสึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดทิ้นไปโดยไม่ต้องสงสยัยจะประกรอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพูดสเจากันตรงน้ยจักขูกันหนอยงานจากักขูก็เกิด คือคำว่าจักสุก็หมายถึงจักสุญานภายในใจรุ่นล้วนไม่ได้นําตาเนื้อไปใช้เลยแม้แต่นิดหนึ่งญาณิกานีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของญาณคือว่าจักขูกหมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วยพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ่มหอ่อเหมือนอย่างแต่ก่อนญ <c oughs> ากณกานีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้าง ความจริงที่มีอยู่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักปุญญาณรู้ก็คือญาณความอย่างทราบถจิงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถ่าถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่ อุปัสมายะเป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักสุยานเป็นเป็นไปเพื่อจักสุเป็นไปเพื่อทำงานให้แจ้งให้รู้ชาเหถรัดเป็นไปเพื่อความสงบต้องเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมบูชายะเป็นไปเพื่อนิพาน ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูเป็นต้นจนถึงถึงสมาสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความอย่างทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบเพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่า ทิพโสตทิพจักษสุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในจิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเรือดอกเป็นไปเ พ, พื่อนิพพานมิสมารมัชฌิมาปฏิปทานี้แหละที่เป็นพึง น, นี่ทรงสอนออกมาจากพระไทย ที่ทรงบรรจุทั้งอืเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือศาสด า, า, า, าองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสต า, าองค์เอกออกมาจากความเป็นจับทันอยู่ ไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเรื่เรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายอุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองป้นขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์พระองค์บรรดารพระพุทธาสลาย ทรงสอ น, นอย่างนี้สอนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนสอนเต็มเม็ดเตาหน่ยวยสอนเต็มอัดเต็มทำผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงนวๆแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจ ดังเป็นจาวขีทั้งห้าพอแสดงดเวเมติคเวขึ้นแล้วก็แสดงมัทิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็เลยรู้แจ้งขข็ญจริงคือรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจสี่ทุกข้างอริยสัจจังสมุทะสมุทะอริยสัจจังสมุทยอริยสัจจัง นิโรธอริยสัจจังมารคะอาริยสัจจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยรสัจสี่แสดงลงในสถานที่ทํางานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายทั้งหมดชาติปิตุขะชราปิตุขะถึงเรื่องความทุกข์นำปิตุขังเรื่องร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรก็บกชาติก็เป็นทุกข์ ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในครันก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆในคันนั้นในตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันเท่ากันมาโดยลําดับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกข์ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดชะลาปีตุขาเวลาเท่าแก่ชะลาแล้วเป็นยังไงกําลังวังชา ลดหยอนลงไปหมดจนถึงกับปราดช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจครองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกําลังที่จะช่วยพยุงตัวเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์เดาสัตว์เดาเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบยา่าทําลายเป็นลําดับต่ำดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกําลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลย<ม>ในขณะที่จะตาย ทุกบีบขั้นจะจนกระทั่งสลบสลาถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรมก็คว้านน้นคว้านี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวควาลมควาแรงควาด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอมนาจของกิเลทั้งหมวทุกก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเปลียงไปก็มีมากสำหผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับ ให้ตกกระเด็นไป น, นู้นตกกระเด็นไปนี่อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนมีทุกข์หรือไม่ทุกข์เราว่าทา้าบดูที่กามันปรารถนาอะไรอะไรไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากนหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของจิตตั้งความปรารถนามากน้อยอย่างไงก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลําดับลาดาแต่ได้มากก็แทงที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปข้างมันอีกเหมือนกับไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลําดับลาดาเพราะความโลภของตนหาความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะอมตะกิเลสแล้ว หรือความว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตายทิ้งเปล่าๆด้วยอํานาจแห่งการแบกกองทุกข์ทนไม่ไหวไม่ปรากฏได้รับความสุขเพราะความสมหวังนั่นเลยเพราะกิเลสไม่ให้ใครสมหวังนอกจากทำเท่านั้นจึงให้โลกได้มีความสมหวังได้นี่ก็เป็นความทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ สโสภาไปเทวทูตกระทงมาแล้าดูปนเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องกองทุกแสดงตัวเต็มธาตุเต็มขันเต็มจิตใจทั้งนั้นเป็นฝ่ายทั้งกองเอาความสุขมาจากไหนมีท่านพูดถึงเรื่องทุกข์ขจัดมันเป็นทุกข์อย่างนี้ให้ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุ๊บนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้ อันนั้นพัฒนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกลูกทุกนามนี้และพิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกเป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงจริงขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปริโิลมเป็นอย่างหนึ่ ง, ข, ง, งขั้นอารมณ์หมาถึงชาติปิฎุขาเจร า, าปิฎุขาเลื่อยนี่ขั้นปฏิโลม ย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาในบอก ว, ว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเราผู้ไปทราบเขาว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้จะรับความทุกข์เพราะความมุงหมายเพราะความรุ่มหลงตัวเองไปยึดไปทั้งกองเข้ามาเผารุมตนเองน่ะนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกายกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ละสัตว์ละส่วนมันมีอยู่ของมันตั้งแต่วันเกิดมา ทุกเกิดขึ้นมาเป็นการเป็นเวลามันก็ดับไปของมันตามหลักความจริงทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันกายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโรมปคือเหมือนกับว่าย้อนให้หาความจริงไม่อารมณ์ตามการพิจารณาค้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาตัทฐาความเพีย่ยน ครามอุตสาห์พย า, า, ายมามเจ้าอะไรมาใช้คนเรานี่แหละสัจธรรมทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกเกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัยอยากแก่วความปรารถนายอยากให้หายอยากให้ทุกข์ตั้งหลายสลายตัวไปอยากดูสบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัย แต่เรื่องของมรคไม่ต้องการหายหรือมา่หายก็ตามต้องการทราความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยอย่างไรเรื่องของทุกจะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลํำดับกัมดาถ้ามรคมีกําลังมีพิจารณารอบตัวไม่ทําลายตัวเองเพราะมรคมีกําลังมากสุดท้ายทุกจริงทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจ ทุกขังอริยสัจจังก็กิงเต็มส่วนพระจักกับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคําว่าทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองเนี่ยสัมมาทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนี่โลดก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกไปโดยลํำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมาร์กเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัว ตางอันต่างจริงเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอด้วทั้งสีนี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความมือสุดดลลวนที่พ้นจากสัตธรรมทั้งสีนี้แล้วนี่ในธรรมจกกักรปวัตนาสูตรท่านแสดงไว้นี่คือศาสิาอุค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมฤกษ์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่ สนองพระโอษของภูมิ์ได้เต็มภูมิก็เป็นตะวกทีทั้งห้าเป็นสาวกอรหันขึ้นมาทั้งห้าองค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคําว่าธรรมมีอยู่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศัจธารมเอก เ, เพราะอะไร ไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้นี่เห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองคือเห็นความมืดสุทธิ์ของตนเองมีทีนี่ทำมีอยู่ไม่มีปัญหาสําหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับทำมีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลําดับดบาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรม ในความว่ามีอยู่และในความว่าประเสริแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเหล่านี้แหละท่านผู้นับภาพท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และธรรมประเสริฐถ้ามันเราธรรมดาไม่สามารถจะกิดจีรวมก็ตามเช่นเดียวกับหมอ้อที่ถูกคว่ำปากลงไว้นั่นเองไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้จะเห็นทําให้งายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับธรรมทั้งหลาย หงายความเพียรขึ้นมาศรัท ธ, ธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวลามเวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความมุสาพยายามทุกด้านทุกทางมีให้โหมตัวเข้าไปอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชนะสิ่งที่เป็นขาศึกเพื่อปรากตามสิ่งที่เป็นขาสึก อันเป็นตัวจำกความเน่านออกไปจากใจตัวลำดับปัรดาจงกระกกทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองคือเนี่เพียนเองพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทําไมความเพียนจะไม่ถึงใจสาติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญา ถ, ถึงใจธรรมถึงใจที่เลียกกระจายออกไปโด ย, โดยลำดับลาําดับ ไม่มีอะไรหรือนี่แหลทำความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนตัว ม, มันไปเองชติก็เหมือนกันความลูกอยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนมันไปปัญญาจะกลมกืืนปันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่รออะละมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความ ล่มเย็ยนเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงภานาจิตใจตัญญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมผันเรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองแล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดใดทั้งหมด จะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่ชื่อว่าทำแท้ขึ้นภานกิตเรายัางไม่สามารถมองเห็นทำแท้รู้ทำแท้ต้องอาศัยสําหรับตำราการซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนถังแล้วพยายามทะเกียรติกายไปรจำนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้องไม่มีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เองนี่แหละการปฏิบัติธรรม คำว่าธรรมมีอยู่มีอยู่อย่างนี้แหละธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อวกาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งเหล่านี้จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมผัสได้นี้เป็นธรรมแต่จะสามารถสัมผัสสัมผัสได้ ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีแล บ, บเป็นทางที่ไหลามาทำเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนแต่ปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บําเพ็ญนั่นแหละีจริงว่าทำแท้ทำแท้เกิดขึ้นจากภ า, าคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่วันบวช เกษารมานาคาสันตาตะโจนี่ได้เรียนแนวปริยัติอุชาจะมอบให้ทุกๆลูกทุกนามที่บวชตั้งแต่นเนนขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเกษารุมานาคาสันตาตะโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นคนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงาม มันเป็นเส้นเส้นนี้หรือเส้นญ้ามันก็เหมือนกันมันมเห็นสวยไม่งามทำไมผมอันนี้มันงามมันสวยนะอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมันหลอกค้นหาความจริงให้มันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอตอนนั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังนี่ดูเข้าไปทั้งภายนอกภายใน ตลบทบควรไหนข้างไร้หุนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเ ล, ะลาลอะไออกไปสู่ความจำปลอมซึ่งกิเล็มันปักเสียบเอาไว้รอบได้อันนี้ง่ายนักเลวนักนะเพราะมันคล้องตัวมานานแล้วกิตเด็ดเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทํายังคล้องไม่ได้พอจะเริ่มทําถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดตับมือมือหกักมือขาดแขนหกักแขนขาดหัวกุดหัวด้ ว, วนไปมันตั้งไม่อยู่นั่นสิ จะตั้งความเพียรกระถูกมันปาดเสียตั้งท่าใดกระถูกมันปาดเอาล้มไปเสียล้มไปเสียล้มก็ลงจะลงหมอ น, นั่นแหละความขี้เกียจขี้ขันมันกระจมอยู่ในหัวใจนี้เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกําลังของกิเลสกําลังของสิ่งจําปลอมมันมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุดทันจทงต้องพยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจากใจได้ว่าทําเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐ ทำตั้งหากประสเสริฐกิเลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอกร้อยเปอร์นร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเป็นทำที่แท้ที่จริงร้อยเปนร้อยเปอร์เซ็นต์สวนทางกันไปเราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลสเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราจริงชื่อว่าเป็นผู้ซักตัวเองกับกิเลสอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอํานาจของธรรมกิเลสเป็นเครื่องผูกเครืงมัดเราแก้ด้วยอดด้วยธรรมเราจะเชื่อใคร พุธทธังธรรมังสังฆังสันังกระฉามิเราเปล่งวาจามาตั้งแต่ตนั้นอะไรจะพ่อยอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่ น, นั้นมาจนกระทั่งปับันบนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้หรือองค์หลอกลวงโลกมีไหมอืมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือยอย่างไรอพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดีทั้งผลเป็นที่ได้รับเป็นที่พอประทัยอยู่แล้วธรร ม, มะที่ว่าธรรมังสัังกฉามีนี่ก็เหมือนกันอยู่ในพระทัยพระยาเต็ม ดวงอยู่แล้วชั้นขังสังฆาสามีพระสงฆ์งสาวกเป็นรุวนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงทรํามันบริสุทนี่ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุนจัดโลกทั้งหลายให้ล่มจมไปมีกิเดสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลองจัดโลกทั้งหลายให้ต้มให้ร่มจมไปไม่ว่าชาติไม่ว่าบุคคลยญิงชายชาติชั้นมานหน้าใดก็าตามถูกต้มถูกตุนาาทางพิจารกิเลส น, นี้ทั้งนั้นทําไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้มถูกตุ๋นจากมันมานาน ขค่นั้นเนี่ยยึงยอมเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่โผลหน้าขึ้นมาด้วยสติปัญญามองดูหน้ามันบ้างให้มันมีแต่มันมองดูหน้าสับหน้าผากเราอยู่เรื่อยๆนม่อย่างเั้นเราเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพลิกแคล่วเปลียนตปลงส ม, มาให้เป็นหลายสันหลายขมสมกับเกล็ดมันมีหลายสันหลายขมไม่งั้นไม่ทันกันนักปฏิบัติพลิกขึ้นมาให้ช้าให้ทันเนี่ยเราพูดถึงหนึ่งปฏิยัติพอได้เรียนไดแล้วแยกมาเป็นภาาปฏิบัติ มันไม่เพียงแต่ตาโจเท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะน้อใหญ่ในส่วกลนกาหนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันถ้าว่าทุกขังในตาตาเต็มหมดทั้งตัวนี้ทว่าอสุภาสุขังตรงไหนมันสะอาดพ่อที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มมาตัวแต่จีเียมันบอกว่าว่าดีว่าสวยว่างามมันเอารวมๆแรงๆมาหลอกเราเราก็เชื่อมันมันไม่มีความจริงอะไรเลยแล้วยัง เชื่อมันจนกระทั่งแบบ น, นี้เอาทํำ ม, มือเจ้าจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปตรงไหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พังพังเมื่อความจำปลอมนั้นพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความยิงรุนรวนอยู่ด้วยกันสบายแต่หมดแม้ทุกจะมีอยู่ในท่านในขันเก็บไขได้เปรอะก็ตามมันก็เป็นความยิงอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความยิงแล้วนะีมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อกันไม่กระทุกกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่การพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทํางานของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกถู ก, ถ, กถูกมัดนะ่ะอันเหล่านี้แ่ะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ให้เนื้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นอยู่อย่างนั้นพนายในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพาให้ดิ้นไม่ต้องถามกันก็รู้ให้ทําจ่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงบจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งกิเลสมันพังลงไปหมดเพราะอำนาจของธรรมปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดินมีก็ตั้งแต่เรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ทางสภาพของมานก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุธาตุสีแน่ดินน้ําเป็นสําคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่หยาบ ก, ก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองฉาบทาไปด้วยน้ํา ยิ่งชื้นแฉะในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับที่ต้มที่โคลนที่เปียกแฉะแล้วคนๆอะไรเลยล่ะเความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วฝ่ไฟตื่นมันอะลายไฟในร่างกายก็เป็นอันเดียวลลกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกขึ้นอะไรลมลมนั้นหรือมันเป็นคนลมทั่วโลกฟืนเรีนไม่เห็นเป็นคนทําไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกเอาเส้ยอย่างเปื่อยนั่ น, นถามตัวเองมั่งสิ ี่เดนมนอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเองสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของอันําอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช้ค้นขึ้นมาขุดค้นมันทําลายมันสิ่งจําปองทั้งหลายเหล่านี้ดูมันเห็นชัดธาตุดินน้ํำลมไฟมีเท่านั้นมันมีความมิเศษวิโสอะไรดินน้ําลมไฟเยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ําแต่ลมแต่ไฟทั้งนั้นอยู่ในตัวของเรานี้่ยตั้งแต่วันเกิดมาจนไปตั้งถึงนี้มันไม่ความมิเศษวิโสอะไร ต่เราบ้างอดีน้ำลงไปทำไมริ่งไปเสกสรรพันอมันเอาหนักหนาเสกสรรพันเอทายิ่งพันเข้าไปพลิบอันเข้าไปเหมือนดิ่งทอดแผงเอากที่อะไรออกที่ด้วยสติปัญญามีเท่าไหร่ว่าธรรมะพุทเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยเป็นธรรมะที่เป็นความจริงองค์อาจก้าหารมากน้าเอามาใช้แก้ที่เด็ดให้มันหมอบหน้าไปหมดมให้มันเหลือสิ่งจอมความทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสมายไม่มีอะไรมากวนใจแล้ว นี่ที่เรียก ว, ว่าขันล้วนคืออย่างนี้เนะี่ยมีแต่ขันรูปประขันก็เป็นขันล้วนๆเสียไม่มีกิเล ด, ดตัวอะไรเข้าไปแทรกเนี่ยถึงจะมีกําลังวังชาก็เป็นกําลังวังชาของธาตุของขันไม่ใช่เป็นกําลังวังชาของที่อํานาจของที่ราคาตันหาอะไรเนี่ยเวท น, นาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่า ง, งชัดอยู่นี้มันก็มีจะเกิดเดดับดับก็รู้กันอยู่จน จ, จําเจทําไมพิจารณาให้ไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่าง จ, จําเจเปิดเผยอยูตอ่ตลอดเวลา มันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านํามาใช้นะ่ะสัญญากลับฟังจิจําได้ทรายเรียนจบใครวีดีโอก็จำทั้งนั้ำเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งทําให้ทันหรอกเพราะมันเป็นสัญญาจําอะไรมาแก่กิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำออกมาให้เป็นปัญญาสิถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทําลายกิเลสได้สัขงขานกับตุงอยู่นั่นยิบยับยิบยับยิบ เมื่อมันเป็นขันรวนๆเนี้ยมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสศิสฐานไปมากขุอะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของอนตองอนไม่มีอะไรมามาหนุนมาฉุดมาลากไปให้เป็นอย่างอื่นกายก็ศักแต่ว่าคาอยู่นั่นเวทนาความถูกความทุกที่เป็นอยู่ในขันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันรู้ตามความคิงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลเนี่ยต่างอันต่างกันสัญญาก็จําได้ประจําไปลืมได้ลืมไปรู้กันอยู่แล้วความจํากับความหลงลืมมันเป็นคู่เทียงกันก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ สารคานความิดความปุงก็ปุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เขามาถือบังเหียนอนวิชชาปัญยาไม่ไม่มีตัววิชานั้นเนี่ยตัวถือบังเหียนของขันตั้งห้านี่ถูกพังทลายไปหมดแล้วก็เป็นขันร้วนๆนี่จะมีอะไรเหลืออยู่รับทราบ ก, กันไปพอถึงการนวัตสรของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวมันลงไปใครจะไปให้ชื่อให้นามมันที่นี่ ก็มีแต่ยิตตรงเดียวไปหาเชื่อให้นามมันไปหลงมันพอจิตตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอยู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นจะไปตื่นกันอะไรนี่ภาคพื้นที่มาให้เห็นว่าธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึ้นที่ใจเยลาที่กิเลสปกปิดไว้ทําให้เห็นไม่เห็นธรรมธรรมประเสริฐกับ ก, กิเลสมันแทรกเข้าไปจะเหยียบหัวใจเราใช่ว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นก็ประเสริฐความหลง เ, เ, เกิดขึ้นประเสริฐอืม ราคาตันหาเกิดขึ้นประเสริฐมีตั้งแต่ประเสริฐไปหมดเรื่งงเหตแต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจใรับความสุขไม่มีเลยมีแต่พืดแต่ไปมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันบ้างที่มันประกาศออกมาอยู่ในหัวใจรอคิดตลอดเวลาทําไมไม่เอาทำเข้าจับกันบ้างหลักความร่ำมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนร่ำมากทก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟเป็นหมดนั่นะหมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากังหัน คนโลภมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโลภมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้มาทลายแทนที่ความโลภจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่ม พ, น พ, มพืนเพิ่มพลายขนไปมันมีความสุขที่ตรงไหนนะเอามาเห็นจริงๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทําเป็นของจริงให้เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมที่ว่าความโลภมันเป็นของวิเศษมันเป็นของของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสาหรับธรรมท่าน ถ้าไม่ว่างั้นท่านปราบไปเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลกนั้นแหละพีค่คนจะตายเนี่ยพูดง่ายๆไว้กันโลกมากเท่าไหร่มันจะตายเรื่อยร้อ น, อนความโกรธกรรมกันมันเกิดขึ้นมามากนี่ตัวแดงเป็นพลิกเผาไปเลยนั่นเหรือคนเป็นสุขตัวแดงพลิกเผานั่นเหรอผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจต่างหากเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็น ผู้ไม่เป็นเป็นผู้มีความสุขทสมัจจริงความสุขไม่ห ล, ลงงมงานไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหล่งนี้ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือปลามันออกหมดเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้ประสบนั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคาตัณหาเป็นเครื่องขยาวก่อขวนให้ดิ้นดนกัดแก่งเหมือนสุนัขเดินข้าวดินติดิ้นดนกรวนกระวานั่นน่ะตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อคาดสาเหตุตัวมันดิ้นแล้วอะไรจะมาดิน้นคนดิ้นตายมีความสุขไหม คนไม่ดิ้นต่หามีความสุขนี่แหละค่าตัาหาพา ด, ดิน้นร่มเินตายอยู่ทั้งมันทั้งขืน ย, นยนืนเดนอนทุกเพศทุกวัยมันนีความสุขเหรอน่ะมันพา ด, ดิ้นอยู่นั่นความไม่ดิ้นต่าหาความสลัดตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิน้นสลัดนี่ออกเสียจากใจใจไม่ดิ้นใจไม่ดิน้นจะอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นผู้ใจที่ตรงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้ได้นี่แ่ะปรารถนาสิ่งนี้เจอเพราเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความยำปลอมปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอ ฉันว่าเป็นทุกเป็นทุกเป็ of all of all of all ปนทุกเรื่อยจะปิดชักนราปฏิตั ederim, ตมปิดทุกขังทุกขังเรลยพี่ไม่มีคําว่าสุขขังสุขขังถ้าดําเนินตามทางมากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วประมังสุขขังประมังสังไม่ต้องถามเนี่ยธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความวิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมปัตสัมผัสเราขอให้ธรรมกิเลสปราบกิเลสให้มันพังทลายไปเถอด ความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสขึ้นเป็นตัวเป็นตัวปิดบังกันเลยความเปิดเผยทห่ทำทุกขัน้นทุกมุภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยสว่างจ้าไปหมดเลยอืนี่ปฏิบตัติเอาให้จริงให้จริงนะปฏิบตัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเต็นแต่ไม่พูดเท่านั้นนะมันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาทําเปิดขึ้นมาสิหเห็นความวิสิทธิ์วิเศษสักติความทุกข์ความระบาดทั้งหลายจะกลายเป็นปุ๋ย ขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตต์หลุดพ้นไม่เคยปรากฏจะสง่างามเพื่อจิใจนี่ปรามังสุ ข, ขังปรามังสุ ข, ขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหน อ, อ๋อพากันตั้งอกตั้งใจอ่ ะ, ะเห น, น, นื่อยมากวันนี้